หลวงปู่หลอดประโมทิโตในวัยชาราท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสริกรมรลาวาดหรือว่าวัดใหม่เสนานิคมเขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะในวัยชากันรพระเถราจารย์ท่านนี้ได้ทรงถือทุดงควัตตลอดเวลาเก้าเดือนของการออกพรรษาเป็นเวลานับสิบปีนะคะ ตลอดเวลาอันยาวนานซึ่งหลวงปู่หลอดจาริกสู่ป่าเขาอันเปล่าเปลี่ยวห่างไกลจากผู้คนพลุกพล่านแล้วก็รอนเร่าไปด้วยไฟกิเลสก็เพื่อผ่ารูปกายสังขาร น, นี้ไปสู่ความวิเวกมุ่งหน้าฝึกจิตด้วยการปฏิบัติสมนธรรมอย่างอุกฤษมุ่งมั่นตัดขาดปวนกิเลสทั้งหลายซึ่งเกาะติดจิตวิ ญ, ญญาณข้ามภพข้ามชาติเหลือที่จะขนาดนับมาแล้วให้จงได้ ในห้องเวลาดังกล่าวนั้นหลวงปู่หลอดได้เผชิญกับประสบการณ์ซึ่งไม่ผิดพลัง้งกับแห่งพลังสัจธรรมที่ห ล, อล่อหลอมดวงจิตให้แข็งแกร่งภายใต้สติอันมั่นคงดังเช่นการเผชิญกับเสือเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านเสือเดราชานผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าป่าคือสัตว์มีเนื้อที่น่ากลัวที่สุดอนุภาพหน้าพร่านเพลิงสุดขีดของมันจะปรากฏให้เห็นขณะออกล่าเหยื่อหรือได้รับบาดเจ็บหรือจนตรอก เพียงแค่เสือคำรามสะท้อนสะท้านมาให้ได้ยินถาเหล่าสัตว์ในป่าดิบลึกก็แตกตื่นนีกระเจิงว่ากันว่าขนาดลิงที่อยู่บนยอดไม้สูงลิฟเสืออยู่บนพื้นดินคนต้นไม้เพียงแค่เสือแผดเสียงคำรามสนั่นลิงก็ถึงกับมืออ่อนตีนอ่อนด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหล่นลิ้วลงมาให้เสือตะปบกินได้ง่ายๆซะอย่างนั้น แม้แต่สัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์เช่นเราก็เถอะนะคะต่อให้มีอาวุธปืนทรงอนุภาพสังหารเฉียบขาดในมือก็อยังไม่กล้าบังอาจประจันหน้ากับเสือโดยตรง ขนาดเสือที่อยู่ในกรงยังอดแยงมันไม่ได้แต่ว่าหลวงปู่หลอดท่านเคยเผชิญกับเสือมาแล้วแล้วก็ประจันหน้าห่างกันเพียงไม่ถึงสองวาซะด้วยซ้ำนะคะครั้งนั้นหลวงปู่หลอดได้ออกทุดงเป็นครั้งแรกค่ะโดยเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีเดินลัดตัดป่าไปทางอำเภอหนองบวัวลำพูทะลุออกบ้านหนองไผ่ศูนบ้านกกคร้อกระทั่งมาถึงบ้านผาวัง บ้านผาวังนี้เองค่ะเป็นหมู่บ้านที่ฝังตัวเองอยู่บนพื้นที่ของป่าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือนะคะที่ปรากฏชมให้เห็นเป็นประจำหลวงปู่หลอดเลือกทําเลปักกลดในสถานที่ที่สงบสงดัดแล้วก็เร่งกระทําความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนใกล้ๆ ก, กับกรดนะคะหลวงปู่ทำทำทางเดินจงกรมเอาไว้เพื่อสลับกิริยานั่งภาวนาเป็นยืนแล้วก็เดินค่ะ คืนนั้นนะคะเลยเที่ยงคืนมาแล้วหลวงปู่หลอดเปลี่ยนจากท่านั่งภาวนามาเป็นเดินจงกรมโดยจุดโคมเทียนแขวนไว้ที่ข้างทางเดินพอสว่างรำไรขณะที่กำหนดกริยาก้าวเดินโดยที่มีสติรับรู้ทุกเสี้ยวความเคลื่อนไหวพลันนั้นได้ยินเสียงเสือคำรามโ h กดังสนั่นขึ้นใกล้ๆแล้วร่างของเสือใหญ่ลายพาดกรอนได้เยืองย่างออกมาจากเงามืดข้างทางเดินจงกรมค่ะ ความตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวสุดขีดจู่โจมถมกระแทกหลงปูหลอดชนิดไม่เคยเจอมาก่อนความรู้ตัวกลัวตายไม่รู้มาจากไหนอารมณ์พลั่นพึงของจิตนี้เล่นงานสติซะจนย่อยยับปนปี ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะคะหากตกอยู่ในสภาวะที่เสือกำลังจะเข้าตะปบหรือว่าขย่ำเห็นเห็นอยู่ห่างๆไม่ถึงสองวาสติก็คงจะแตกกระเจิงเพราะความกลัวไปแล้วแต่สำหรับหลวงปู่หลอดค่ะท่านได้ผ่านการฝึกจิตควบคุมสติมาพอสมควรนะคะจึงเสียสูย์ไปแค่วูบเดียววูบหนึ่งที่กลัวจนเลยขีดสุดความกลัวก็ดับวูบไปเหลืออยู่แต่ตัวสติ จะอยู่หรือตายก็ไม่สำคัญอีกต่อไปจิตวูบเข้าไปยึดเหนี่ยวพระบารมีของพระพุทธเจ้าได้แนบแน่นคิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าถ้ามีกรรมกับเสือตัวนี้ก็ให้มันฆ่ากินไปซะเถอะจะได้ชดใช้เวเนี่กรรมกันไปให้หมดสิ้นเพียงแค่ชาตินี้และหลวงปู่ก็หลับตาปิดสนิทจิตก็พุ่งไปที่คำภาวนาว่าพุทโธกาหนดลมหายใจเข้าออกตามแนวอนาปนสติจิตก็ดิ่งสู่ความสงบอย่างรวดเร็วค่ะ ไม่รับรู้ว่ามีเสืออยู่ตรงนั้นไม่มีความเป็นความตายหลงเหลืออยู่อย่าง แ, แต่อย่างใดนะคะจิตสงบเงียบอยู่เช่นนั้นเนิ่นนานกระทั่งใกล้เวลาเกือบฟ้าสาง จิตจึงค่อยๆผ่อนคลายออกจากสมาธิก็ลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าเสือหายไปแล้วไม่รู้ว่าเสือมันหายไปทางไหนเมื่อไหร่หลวงปู่หลอดก็บังเกิดทาปิติอย่างล้นพ้นแล้วก็ได้รู้นะคะว่าอนุภาพแห่งสมณธรรมนั้นทรงพลังสูงสุดประมาณได้รู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็รู้แล้วว่าวิถีทางที่จะปฏิบัติสืบต่อไปเบื้องหน้านั้นควรกระทาอย่างไร หลายพรนษาผ่านไปกระทั่งการออกพรรษาหนึ่งหลวงปู่หลอดนะคะได้จาริกทุดงไปกับหลวงปู่บัวพาปัญญาพาโซแห่งวัดพระสถิตอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพียงสองรูปค่ะโดยมุ่งหน้าไปทางบ้านนาสีนวนผ่านบ้านห้วยหีบนะคะบ้านนาตงอยบ้านจันเพนจากนั้นก็ถึงบ้านควรปุ่นค่ะ บ้านควรปุ่นแห่งนี้อยู่ติดกับเชิงเขาเป็นภูมิประเทศเนี่ยจะเรียกว่าเป็นดงกันดานเลยทีเดียวซึ่งชาวบ้านระแวกนั้นก็จะทำไร่ทำนานะคะหาเลี้ยงชีวิตไปตามประส า, าเมื่อหลวงปู่หลอดหลวงปู่บัวพามาถึงเชิงเขาของบ้านควรปุ่นท่านก็ได้ปักกรดอยู่ห่างจากหมู่บ้านตามสมควรด้วยเห็นว่าเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบสงัดเย็นกายเย็นใจนะคะเหมาะสมที่จะกระทาความเพียรสักระยะหนึ่ง ชาวบ้านควนปุ่นเห็นพระธุดงค์กรรมฐานมาปักกลดบําเพ็ญธรรมก็พากันมากราบไหว้หลายคนคะ่ะในจํานวนนี้มีผู้หญิงวัยกลางคนชื่อคําต้นรวมอยู่ด้วยโดยแม่คําต้นแนะนําตัวเองนะคะว่าเป็นคนทรงผีประจําหมู่บ้านเวลาชาวบ้านมีเรื่องราวหรือว่าเรื่องเดือดร้อนอะไรนะคะหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาหาแม่คําต้นให้แม่คําต้นเข้าทรงผีแล้วผีที่สิงร่างก็จะให้คําแนะนําต่างๆให้กลับไปปฏิบัติ ซึ่งก็ต้องการมีการจัดหาเครื่องเส้นสังเวยต่างๆมาบูชาผีให้ผีได้เสพซุกได้เสพทุกครั้งไปนะคะแม่คำต้นเล่าถวายพระทุดงกรรมฐานต่อไปอีกค่ะว่าเป็นคนทรงผีนี่ลำบากทรมานเหลือเกินจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกลัวผีว่าจะผิดผีแล้วก็เวลาทำผิดผีคราใดาก็จะมีผีเข้ามาสิงจนหมดสติไม่รู้สึกตัว ผีต้องการให้ทำอะไรก็จะต้องทาตามที่ผีบัญชาการทุกอย่างไม่มีความสุขสบายเช่นคนธรรมดาทั่วไปเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าผีที่เข้าสิงไม่ได้มีตัวเดียวหากมีผีหลายตัวคอยรบกวนไม่ได้หยุดโดยแม่คำต้นก็ได้ถามหลวงปู่หลอดแล้วก็หลวงปู่บัวพาว่าท่านทั้งสองเนี่ยพอจะช่วยเหลืออย่าให้ผีเข้าสิงได้หรือไม่อยากให้ไล่ผีออกไปจากร่างกายไม่อยากให้มีผีมากระทาเช่นที่ผ่านมาอีก หลวงปู่หลอดจึงถามว่าโยมคิดอย่างไรถึงไม่อยากเป็นคนทรงต่อไปอีกละแม่คำต้นตอบว่าเกิดจากข้าน้อยฝันประหลาดเหลือหลายคือในคืนหนึ่งที่กำลังหลับสนิทฝันว่าข้าน้อยอยู่ในห้องหนึ่งมีประตูสองบานอยู่คนละฝ้าประตูหนึ่งมีชายร่างสูงใหญ่ดำมืดไปทั้งตัวยืนอยู่อีกประตูหนึ่งมีพระแก่ชารารูปหนึ่งยืนอยู่ชายสูงใหญ่ตัวดำมืดบอกให้ตามเข้าไป พระผู้เฒ่าก็บอกให้ตามท่านไปเช่นกันในฝันนั้นข้าน้อยเกิดความลังเลไม่รู้ว่าควรจะไปกับใครดีในที่สุดก็เชื่อว่าพระต้องดีกว่าผีแน่จึงตัดสินใจไปกับพระจากนั้นก็ได้ตกใจตื่นแม่คําต้นเชื่อมั่นว่าความฝันต้องเป็นความจริงแน่ๆเพราะเพิ่งฝันเมื่อคืนนี้เองพอล่วงเข้าตอนบ่ายพระธุดงค์ก็คือหลวงปู่หลอดกับหลวงปู่บัวพาก็มาถึงหมู่บ้านแม่คําต้นได้ขอให้หลวงปู่หลอดเมตตาช่วยเหลือด้วยเถิด หลวงปู่หลอดได้ปรึกษาคุณหลวงปู่คำพานนะคะว่าพอจะช่วยเหลือโยมคําต้นได้หรือไม่เพราะว่าหลวงปู่บัวพานั้นท่านก็จะเก่งในทางพุทธาคมสายเวทมีความชํานาญในการสงเคราะห์ญาติโยมที่ถูกผีเข้าสิงหรือถูกกระทําทางคุณสายค่ะหลวงปู่บัวพาก็บอกนะคะว่า ถ้ามีหลวงปู่หลอดช่วยอีกแรงหนึ่งก็คงส่งเคราะห์ให้ได้แม้ว่าวิญญาณจะกล้าแข็งสักเพียงใดก็คงไม่อาจต้านทานกระแสะจิตของสมณะถึงสองรูปได้อย่างแน่นอนดังนั้นนะคะหลวงปู่หลอดจึงบอกให้แม่คําต้นเนี่ยมาทำพิธีในวันรุ่งขึ้นแล้วก็กำชับให้พาลูกหลานมาด้วยหลายคนเพราะว่าเวลาที่วิญญาณผีที่สิงร่างอารวาสจะได้มีแรงมีกาลัง เกินคนธรรมดาหลายเท่านะคะก็จะได้ช่วยกันจับได้โดยชาวบ้านนอกชนบททางภาคอีสานสมัยก่อนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีความเชื่อแล้วก็มีความนับถือผีกันแทบทุกบ้านค่ะเวลาใดที่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าทำไร่ทำนาไม่ได้ผลอุดมสมบูรณ์ก็มาคิดว่าเกิดจากการดนบันดาลของผูดผีหรืออาจจะทาให้ผีคุณเคืองไม่พอใจดังนั้นนะคะ เมื่อมีการบูชาผีด้วยเครื่องเส้นสังวยต่างๆทั้งๆที่ผีไม่ได้กระทํากลั่นแกล้งแต่อย่างใดหากเป็นเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยไข้ป่าหรือไข้ามาลาเรียถึงขั้นขึ้นสมองจึงมีอาการเพ้อคลั่งไปต่างๆนานาชาวบ้านเขาไม่มีการศึกษาไม่รู้ว่าสมมติฐานของโรคก็เชื่อว่าถูกผีกระทําเอา หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่เจริญงอกงามเนื่องจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนหรือดินจืดชืด น, นะคะขาดปุ๋ยชาวบ้านก็เหมาเอาว่าพูดผีดลบันดาลให้ด้วยความไม่รู้ข้อเท็จจริงนะคะส่วนที่ว่าถูกผีกระทําถูกผีสิงหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติอันเนื่องมาจากอำนาจของพูดผีปิศาจนั้นได้เกิดขึ้นจริงๆก็มีค่ะ ในกรณีเช่นนี้นะคะก็ขออธิบายเพียงย่อๆว่าผีหรือว่าวิญญาณของผู้ตายนั้นไม่มีรูปสัมผัสไม่ได้การติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับผีก็จะทำได้ด้วยทางจิตทางเดียว ถ้าจิตของคนไม่เปิดรับคือไม่ยอมรับอำนาจกระแสะจิตวิญญาณของผีก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกระแสะจิตของคนได้การติดต่อรู้เห็นซึ่งกันและกันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะขอให้สังเกตว่าในเขตเมืองหรือชุมชนที่เจริญแทบไม่มีเรื่องผีมาปรากฏเลยทั้งนี้ค่ะก็เพราะว่าผู้คนซึ่งเจริญแล้วด้วยการศึกษาพอสมควรไม่เชื่อว่าพลังอานาจของผีมีจริงไม่ยอมรับหรือว่าอาจจะต่อต้านซะด้วยซ้านะคะจิตที่ไม่เชื่อหรือ หรือไม่ยอมรับก็เท่ากับว่าปิดประตูสนิท ต, ตัดขาดการติดต่อกับกระแสจิตโดยปริยายดังนั้นค่ะจึงเป็นการยากที่จะมีใครนะคะพบเห็นหรือว่ามีผีเข้าสิงชนิดจังในเขตเมืองที่เจริญแล้ว แต่ว่าคนบ้านนอกอยู่ห่างไกลความเจริญมีความเชื่อว่าผีมีจริงมาตั้งแต่เล็กน้อยนะคะยิ่งประกอบกับบรรพบุรุษนับถือผีได้รับรู้ได้เห็นพิธีกรรมเส้นสวงสังเวยบูชาผีเข้าไปอีกจิตของบุคคลเหล่านั้นก็เท่ากับเปิดประตูรับกระแสจิตวิ ญ, ญญาณโดยไม่เคลือบแคลงสงสัยดังนั้นค่ะการติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับผีก็เลยเกิดขึ้นได้ง่าย เรื่องผีเข้าสิงแล้วก็ทรงผีจึงไม่ใช่เรื่องงมงายได้สาระไปเลยอ่าไปสะทีเดียวนะคะดังเช่นแม่คำต้นนี้เนี่ยหลวงปู่หลอดพิจารณาแล้วก็เห็นว่าตกอยู่ใต้อำนาจของจิตวิญญาณจริงๆท่านกับหลวงปู่บัวพาก็เลยรับปากช่วยสงเคราะห์ให้ตามกำลังนะคะ ช้าวันรุ่งึ้นหลวงปู่ทั้งสองก็ได้ไปบินธบาต ท, ที่หมู่บ้านควรปุ่นกลับมาที่กรดก็ทำภัตตกิจเป็นที่เรียบร้อยกระทั่งสายพอสมควรแม่คำต้นแล้วก็ลูกหลานตลอดจนชาวบ้านซึ่งรู้ว่าแม่คำต้นจะเลิกเป็นคนทรงผีเด็ดขาดก็รวมกลุ่มกันมาที่กรดของหลวงปู่หลอดแล้วก็หลวงปู่บัวพาหลวงปู่ทั้งสองก็ได้ถามย้าแม่คาต้นนะคะว่า ตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดแล้วใช่ไหมแม่คําต้นก็ยืนยันเป็นมั่นคงว่าจะไม่ยอมเป็นทาสผีอีกต่อไปหลวงปู่บัวพาก็ได้ทําน้าพระพุทธมนต์ใส่บาตรและให้แม่คําต้นรับไตรสรณคมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะจากนั้นก็บอกให้แม่คําต้นสงบใจแล้วก็ตั้งจิตราลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมและก็คุณพระสงฆ์เอาไว้ให้แน่วแน่จากหลวงปูนะ่นาจากนั้นนะคะหลวงปู่บัวพาก็กล่าวนํา ไหว้พระเริ่มต้นที่อิติปิโสพระวาระหว่างนั้นหลวงปู่หลอดก็รวมจิตลงสู่สมาธิแผ่กุศลเมตตาเป็นพลังช่วยหลวงปู่บัวพาอีกทางหนึ่งเมื่อแม่คำต้นสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งพนมมือหลับตาพยายามทำจิตน้อมราลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะขณะที่หลวงปู่บัวพาสวดพุทธาพุทธาคมทำน้ำมนไล่ผีนะคะตอนแรกๆนะคะแม่คาต้นก็นิ่งเฉยเป็นปกติ แล้พอเวลาผ่านไปได้ครู่หนึ่งก็เกิดอาการกระสับกระส่ายร่างกายสั่นเทมิมไม่ได้หยุดพร้อมกับส่งเสียงครางเครือในลําคอตลอดเวลาพอดีกับหลวงปู่บัวพาทําน้ําพระพุทธมนต์เสร็จสิน้นท่านจึงใช้กรรมยาคานะคะจุ่มลงไปในน้ํา พ, พุทธมนต์พรมไปที่แม่คําต้นทันทีที่หยดน้ําพระพุทธมนต์กระทบร่างแม่คําต้นหญิงวัยกลางคนค่ะก็กรีดร้องสุดเสียงทะลึ่งพรวดสุดประหนึ่งน้ําพระพุทธมนต์เป็นน้ำร้อนเดือดพล่าน ญาติพี่น้อง45ห้าคนซึ่งคอยทีอยู่แล้วก็ต่างทลาเข้าไปช่วยกันจับยึดตัวแม่คําต้นเอาไว้ทั้งแขนทั้งขาก่อนจะดิ้นรนเกลือกกลิ้งไปกับพื้นแม่คําต้นไม่ได้มีรูปร่างใหญ่อ้วนแต่อย่างใดออกจะเป็นผู้หญิงร่างเล็กแล้วก็ผอมบางซะด้วยซ้ําแต่เวลานั้นไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนญาติพี่น้องจึงช่วยกันจับยึดเป็นชายชะกันก็หลายคนค่ะส่วนที่เป็นหญิงจัดว่าร่างใหญ่แข็งแรงเอาการทีเดียว แต่ละคนก็ต้องออกแรงจับกดกันจนเหงื่อหยดโสมหน้าหลวงปู่บัวพาท่านก็สาทยายมนไม่ได้หยุดนะคะพร้อมกับพรมน้ำพระพุทธมนต์เข้าใส่อย่างต่อเนื่องแม่ํำต้นพยายามดิ้นสะบัดให้หลุดจากคนหลายคนที่จับยึดเอาไว้แน่นจนตัวแอน่นเบิ่งในตาขุนขวางแทบจะถลนออกนอกเบ้าหน้าตาบิดเบี้ยวทะมึงถึงเหมือนไม่ใช่แม่ําตนคนเดิมคารามเสียงแหบหาอย่างกระดเกเียวว่า เอาน้ำร้อนมาราดกูทำไมกูร้อนปวดแสบปวดร้อนทนไม่ไหวแล้วหยุดสาดน้ำร้อนใส่กูเดียวนี้หยุดเดียวนี้หลวงปู่บัวพาแล้วก็หลวงปู่หลอดค่ะไม่ได้โต้ตอบแต่อย่างใดหลวงปู่บัวพาก็ยิ่งพรมน้ําพุทธมนต์หนักมือกว่าเดิมเข้าไปอีกแม่คําต้นก็อลาวาดด้วยกริยากโกรธแค้นสุดขีดปากก็ตะโกนโวยวายไม่ยอมหยุดหลวงปูบ่บัวพาอ่าบัวพานะคะบอกให้ผีที่แอบสิงอยู่ในร่างแม่คําต้นออกไปซะ แต่ผีเนี่ยก็ยังดื้อดึงสุดฤทธิ์นะคะทั้งที่ทาท่าทางของมันเองเนี่ยก็คือกําลังได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสโดยคราวนี้หลวงปู่บัวพาก็ไม่พรหมนาพระพุทธมนต์แล้วละ่ะหากแต่ว่ายกบาตรขึ้นเทน้ำพระพุทธมนต์รดลงไปที่กลางกระหม่อมแม่คําต้นตรงๆหญิงกลางคนซึ่งเป็นร่างทรงของผีก็ทะลึ่งลุกพรวดพลาดสุดตัวในตาเหลือดค้างเห็นแต่ตาขาวหวีดร้องโหยหาหน้าขนพองสยองกล้าว พร้อมกับบอกว่าโอ้ยกูทนไม่ไหวแล้วกูยอมแล้วกูยอมแล้วกูออกไปแล้วอย่าทําอะไรกูเลยสิ้นเสียงคําร้องไม่เป็นสัานะคะตัวแม่คาต้นก็อ่อนโยนแล้วก็ฟุบหมอบคาที่หลวงปู่บัวพารถน้าพระพุทธมนตรีเหลือในบาทลงไปบนศีรษะจนหมดคราวนี้แม่คําต้นก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรยังคงหมอบฟุบหายใจรวยรินแน่นิ่งอย่างนั้นนะค ะ, สะแสดงว่าผีที่แอบแฝงสิงร่างของแม่คําต้นเนี่ยเตลิดเปิดเปิงหนีหายไปหมดแล้ว สักพักหนึ่งแม่คำต้นก็เลยได้ฟื้นคืนสติเงยหน้าขึ้นมาด้วยท่าทางมึนงงเต็มที่เพราะไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างขณะที่วิญญาณร้ายเข้าสิง ญ, ญาติพี่น้องก็ต้องเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังกระทั่งผีออกไปจากร่างแม่คำต้นก็อู้ดีใจสุดสุดชีวิตเลยนะคะที่หลุดพ้นจากอานาจผีสที หลังจากเป็นทุกข์ทรมานมานานกับหลวงปู่อาหลวงปู่บัวพากับหลวงปู่หลอดได้ผูกข้อมือข้อไม้ให้แม่คําต้นด้วยได้สายสินแล้วก็ทํามงคลคล้องคล อ, คลอให้อีกเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ผีที่เข้ามาแอบแฝงเข้าสิงแม่คําต้นอีกต่อไปเรียกว่านับตั้งแต่นั้นแม่คําต้นร่างทรงผีก็ไม่ปรากฏมีผีมาเข้าทรงเข้าสิงอีกเลยแต่ทว่าหลวงปู่หลอดแล้วก็หลวงปู่บัวพาก็ต้องอยู่ที่บ้านควรปุ่นอีกต่อไประยะหนึ่งเพราะว่าผีที่เข้าสิงแม่คําต้นเนี่ยได้กลับไปรังควานชาวบ้านคนอื่นๆเป็น ภาระให้หลวงปู่ทั้งสองต้องทำพิธีไล่ออกอีกหลายรอบค่ะ หลวงปู่หลอดจะได้ให้ชาวบ้านควรปุ่นมารับไตรสารณคมแล้วก็ปฏิ ญ, ญาณตนเป็นพุทธมามะกะทุกคนแล้วก็สอนให้สวดมนต์ไหว้พระพร้อมทั้งปฏิบัติภาวนาพร้อมกันนั้นก็ยังสอนให้ทุกคนรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมในที่สุดชาวบ้านควรปุ่นก็อยู่กันอย่างสงบสุขนะคะโดยไม่มีพูดผีวิญญาณร้ายใดๆมาแสดงฤทธิ์ข่มเหงรังแกอีกเลยหลวงปู่หลอดจาริกทุดงไปกับหลวงปู่บัวพาผู้เป็นสหธรรมิกตลอดพรรษานั้นตราบถึงการเข้าพรรษ จึงได้แยกย้ายไปจำพรรษาต่างอารามกันโดยหลังจากพรรษาออกพรรษาทุกๆปีนะคะหลวงปู่หลอดประโมทิโตก็จะถือทุดงควรดตลอดมากล่าวได้ว่าหลวงปู่หลอดจาริกไปทั่วทั้งภาคเหนือและก็ภาคอีสานท่องไปในป่าดิบดงกันดานสู่สถานวิเวกเพื่อกระทําความเพียรสบัญภพชาติซึ่งร้อยรัศสัตว์โลกเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนับอนันตการ ประสบการณ์ธุดงของหลวงปู่หลอดมีอีกมากมายค่ะเป็นเรื่องอัศาจรรย์เหนือโลกเหนือวิสัยเกินกว่าที่วิทยาการสมัยใหม่จะทดสอบพิสูจน์ได้เรื่องใดที่ท่านไปพบเห็นสัมผัสมาแล้วและก็เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ในทางธรรมซึ่งพุทธศาสนิกชนควรพึงมีพึงได้หลวงปู่ก็จะละเว้นไม่นำพาซึ่งการกล่าวถึงนอกจากบางเรื่องที่ท่านเห็นว่าถ้าเปิดเผยออกไปแล้วน่าจะทําให้เกิดการสะดุ้งกลัวต่อบาปเวรหรือฉุกคิดถึงสัจธรรมขึ้นมาว่า เวนกรรมเป็นยังไงการกระทำเป็นแบบไหนและผลที่ได้เป็นแบบไหนหลวงปู่ก็จะนำมาถ่ายทอดให้ได้รับรู้นะคะมีอยู่คราวนึงค่ะคุณผู้ฟังหลวงปู่หลอดนะคะเดินทุดงไปทางภาคเหนืออศบปราบจลำปางค่ะมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีตุ้มแล้วก็อุบาสิกาครรมซึ่งเป็นชาวเขานุ่งดำห่มดำไปปฏิบัติธรรมที่ถ้าแม่แก่ง ขณะกำลังนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินไปมาในถ้ำแล้วก็มีเสียงร้องคร่ำครวญให้ช่วยก็เลยแผ่เมตตาให้แก่วิญญาณซึ่งทุกทรมานเหล่านั้นแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณเหล่านั้นซึ่งปรากฏอยู่ในถ้ำแก่งยังคงวนเวียนอยู่หลวงปู่หลอดจึงได้ไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่ถ้ำแม่แก่งและท่านก็ได้สัมผัสรับรูบร้ถึงวิญญาณทรมานซึ่งวนเวียนอยู่ที่ถ้ำแม่แก่ง พวกเขาเหล่านั้นเป็นชาวไทยใหญ่ค่ะมีอาชีพค้าเพชรค้าพลอยซึ่งเดินทางมาจากฝั่งพมา่ามาประเทศไทยเป็นประจำ วันนึงก็ถูกพวกผู้ร้ายใจบาปเข้าปล้นแย่งชิงอั ญ, ญมณีมีค่าแล้วก็เงินทองติดตัวไปจนหมดแล้วก็ฆ่าปิดปากทุกคนนะคะจากนั้นก็ได้นำศพมาฝังไว้ใกล้ๆถ้ามแม่แก่งเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยการกระทําความผิดอย่างมหันของตนวิญญาณของชาวไทยใหญ่พ่อค้าเพชรพลอยซึ่งต้องมาตายอย่างไรญ า, าติขาดมิดกลางดงกันดานจึงเกาะยึดติดเหนียวอยู่ที่บริเวณนี้ด้วยความทรมานรอคอยผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มาเมตตาปลดปล่อยให้หลุดพ้นไปจาก ฐานที่แห่งนี้มานานแสนนานแล้วหลวงปู่หลอดรับรู้เช่นนั้นท่านก็เลยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ปฏิบัติมาแผ่เมตตาออกไปให้แก่ปวงวิญญาณทรมานทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะเสียงคร่ำครวญหหยหวนที่ปรากฏณนะถ้ำแม่แก่งก็สูญสิ้นหายไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะ